พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสีทักกินาวิพังคสูตรอ น, นิสงค์ของสังคทานการให้โดยเมย่เจาะจงผู้รับสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครทารามเขตกรุงกบิลพั์แขวนศักกะสมัยนั้นแลพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงต้องการถวายผ้าใหม่ที่ทรงทอเองแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคได้ตรัสขอให้ถวายสงคือไม่เจาะจงถวายรูปใดรูปหนึ่งให้เป็นของส่วนรวมของหมู่สงซึ่งชื่อว่าเป็นอันบูชาอัตมภาพและสงตรัสถวายผ้านี้ถึงสามครั้งก็ยังทรงยืนยันเช่นเดิมคำว่าสงคำเดียวคือหมายถึงภิกษุตั้งแต่สีรูปขึ้นไปคือเป็นกลุ่มเป็นคณะพระสงฆ์คือภิกษุ ผู้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเท่านั้นผู้ห่มเหลืองออกบวชคือสมมุติสง์เป็นภิกษุเป็นนักบวชยังไม่ใช่พระสงฆ์แท้จริงท่านพระอานนุนกราบทูลขอให้ทรงรับผ้าใหม่ทั้งคู่ของพระนางมหาประชาบดีโกตมีเพราะพระนางทรงมีอุปการะมากเป็นพระมาตุชาของพระผู้มีพระภาคพระมาตุชาคือป้าหรือนา้า ทรงธนุถนอมเลี้ยงดูให้พระผู้มีพระภาคสวยน้ำนมในเมื่อพระชนนนีสวรรคตแล้วพระนางประชาบดีโกตมีทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคแล้วจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาลละเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคแล้วจึงทรงมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลที่พระอริยยินดีหมดความสงสัยในทุกทุกขสัมุทรไทยทุกขานิโรธทุกขานิโรธามายมีปฏิปทาพระผู้มีพระภาคทรงมีพระอุปการะมากแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานน์เพราะว่าบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นผู้มีศีลหมดความสงสัยในอริยสัจสี่เราไม่กล่าวการกระทํานี้คือการกราบไหว้การลุกรับการทําอัญชลีการทําทสามีจิ ก, กรรมด้วยการบริจาคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริการ ว่าเป็นการทำตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลนี้อานน์ก็ทักขีณาเป็นปาติบุคคลิกับคือการถวายทานเจาะจงบุคคลนี้มี14ประการในที่นี้คือการถวายทานแด่บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้แต่ละบุคคลถือเป็นแต่ละประการคือบุคคล ยอมถวายทานในพระตถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าในพระปัจเจกพุทธะในพระสาวกของพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหันตผลในพระอนาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลในพระสกัทาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกัทาคามิผลในพระโสดาบัน ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธในบุคคลภายนอกศาสนาผู้ปราศจากความกําหนัดในการทั้งหลายแล้วให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานอานน์ในทักษิณาเป็นปาฏิบุคลิกะหรือปาฏิบุคลิกสิบี่ประการ น, นั้น บุคคลให้ทานเนสัตเดียรชานแล้วพึงหวังทักษินาอันมีอานิสงฆ์100อัตภาพข้อนี้คือโดยประมาณ100เท่าคำว่า100อัตภาพอาจแปลได้ว่า100รชาติหรือ100รครั้งก็ได้ในที่นี้ควรเข้าใจว่าเป็นการเปรียบเทียบโดยประมาณเท่านั้นบุคคลให้ทานเนศัตเดียรชานแล้วพึงหวังทักษินาอันมีอานิสงฆ์100อัตภาพ ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอนิสงส์หน0 0พันอัตภาพให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอนิสงส์หนึ่งแสอัตภาพถวายทานในบุคคลภายนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในการทั้งหลายแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอนิสงส์แสนโกฎอัตภาพ ให้ทาในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลแล้วพึงหวังทักษิมนาอันมีอ น, นิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทาในพระโสดาบันจนถึงพระสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทาในพระปัจเจกสัมพุทธะและในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยอนุน ทศินนาที่ถวายในสงเจ็ประการนี้คือ 1. บุคคลย่อมถวายทานในสงสองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 2. เมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วบุคคลย่อมถวายทานในสงสองฝ่าย 3. บุคคลย่อมถวายทานในภิกษุสงฆ์หมายถึงเป็นส่วนรวมในภิกษุสงฆ์สี่รูปขึ้นไปส บุคคลย่อมถวายทานในภิกษุณีสงฆ์หมายถึงเป็นส่วนรวมในภิกษุณีสี่รูปขึ้นไป 5. าทักษิณาที่เจาะจงภิกษุและภิกษุณีเท่านั้นเท่านี้จักสงเป็นการถวายให้เป็นส่วนกลางของภิกษุและภิกษุณีกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง 6. ทักษินาที่เจาะจงภิกษุเท่านั้นเท่านี้จักสงและเ ทักษินาที่เจาะจงภิกษุณีเท่านั้นเท่านี้จักสงอนุนก็ในอนาคตการจะมีเหล่าโคตรภูภิกษุมีภ้ากาสา ว, วักพันคอเป็นผู้ทุศีลมีธรรมะเลวสามชนทั้งหลายจักถวายทานเจาะจงพระสงฆ์ได้ในภิกษุผู้ทุศีลเหล่านั้นแมในเวลานั้น เราก็ยังกล่าวทักสินนาที่ถวายในสง์ว่ามีอานิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวปาติกุคลิกฐานว่ามีผลมากกว่าทักสินนาที่ถวายในสงโดยป ร, ริยายไรๆเลยข้อนี้คือการถวายเจาะจงสง์ย่อมได้อนิสงส์น้อยกว่ามีผลน้อยกว่าการตั้งใจถวายให้เป็นของส่วนรวมของสง โดยนับตั้งแต่สองสี่รูปขึ้นไปนะครับอ น, นุนความบริสุทธิ์แห่งทักษินาคือของทำบุญสประการนี้คือ 1. ทักศินาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทา ย, ยกคือผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกคือผู้รับคือผู้ให้ทานเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมผู้รับทานเป็นผู้ทุศีลมีธรรมะเลวสาม สทักสินาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิกฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือผู้รับทานเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแต่ผู้ให้ทานเป็นผู้ทุศีลมีธรรมะเลวสามสามทักสินาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกคือผู้ให้และผู้รับเป็นผู้ทุศีลมีธรรมะเลวสามทั้งคู่ ทักษิณ า, าที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิค้าหกคือผู้ให้และผู้รับทานเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทั้งคู่ทักษิณ า, าที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิค้าหกเป็นอย่างนี้อานนท์ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาสีประการ น, นี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครันตรัสเวยากรณะพาสิทินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์อื่นอีกต่อไปว่าผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมอันโอลานให้ทานในชนผู้ทุศีลทักษิณ า, าของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอลานให้ทานในชนผู้มีศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรำและผลของกรรมอันโอลานให้ทานในชชนผู้ทุศีลเราไม่กล่าวทานของผู้นั้น ว่ามีผลภัยบูนผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเริ่มใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอรานให้ทานในชนผู้มีศีลเรากล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลภัยบูนผู้ใดปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลิ่มใสดี เชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอลานจึงให้ทานในท่านผู้ปราศจากราคะเรากล่าวทานของผู้นั้นนั่นแหล ว, ว่าเลิศ ก, กว่าอามิสทานทั้งหลายดังนี้แลจบทักคินาวิพังคสูตรหมายเหตุผู้อา่านสรุปเรื่องนี้คือ ส่งไม่รับการถวายผ้าเพราะเป็นการเจาะจงถวายอา น, นิสงส์งน้อยกว่าการถวายเป็นสังฆทานหรือเป็นของส่วนรวมโดยไม่เจาะจงผู้รับซึ่งเป็นการอนุเคราะห์แก่ผู้ให้ให้ได้บุญสูงสุดมีอา น, นิสงส์งมากกว่าในเรื่องนี้นะครับวัดหลายวัดจะไม่รับประเค้นของถวายบางอย่างเพราะถ้ารับมีพระวินัยห้ามเก็บของแต่ละอย่างเกินกี่วันซึ่งจะทำให้เสียของไปโดยเปล่าประโยชน์ ครูบาอาจารย์บางท่านจึงเมตตาสิทธิ์ไม่รับประเคหนหรือรับแค่บางอย่างเท่านั้นนะครับแล้วก็แนะนำให้เอาของบางอย่างไปไว้ที่โรงครัวเพื่อให้แม่ครัวได้เก็บไว้ประกอบอาหารหรือชงเครื่องดื่มนั้นถวายประเคแด่ภิกษุสามเณรในแต่ละวันซึ่งจะมีอ น, นิสงส์งมากกว่าเกิดประโยชน์มากกว่าการอธิบายให้ญาติโยมเข้าใจก็จะส่งผลให้เกิดปีติอีกมาก ยกตัว อ, อย่างนะครับเช่นการถวายน้ำผึ้งถ้ารับประเคนก็จะเก็บได้ไม่กี่วันแต่ถ้าเก็บไว้ที่โรงครัวแม่ครัวสามารถชงมาถวายพระหรือเมื่อพระจำเป็นต้องบำรุงกำลังหรือรักษาโรคด้วยน้ำผึ้งก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้หลายปีผ่านการประเค้นของเด็กวัดหรือแม่ครัวกรณีนี้จะทาให้คนถวายน้าผึ้งขวดเดียวแต่สามารถเกิดเป็นสังคทานได้เป็นร้อยครั้ง ผ่านการประเคนของเด็กวัดหรือแม่ครัวที่ทำแทนในแต่ละครั้งจนกว่าน้ำพึ่งนั้นจะหมดขวดนับเป็นการทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเกิดประโยชน์สูงสุดในจำนวนเงินที่เท่ากันการศึกษาให้เข้าใจบาปบุญการศึกษาธรรมะยิ่งรู้ข้อมูลมากก็ยิ่งได้เปรียบเหมือนการลงทุนบางอย่างถ้าเลือกทางถูกลงทุนน้อยแต่ได้กาไรมากแต่กลับกันนะครับ หาไม่รู้เรื่องอะไรเลยรับไปลงทุนแม้จะมีทุนมหาศาลก็อาจขาดทุนย่อยยับหรือได้กำไรไม่คุ้มกับที่ลงทุนการทำบุญไม่ใช่การทำเพื่อวางผลเพราะถ้าทำด้วยความโลภวางผลบุญก็จะมีอ น, นิสงส์งน้อยลงไปอีกแต่ผู้มีปัญญาจะศึกษาแล้วรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำและทำอย่างไรได้ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้รับและตนเอง จึงเลือกทำเรื่องนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนานะครับให้ทำบุญประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ศักิ์แต่ว่าทำทำไปจะเกิดอะไรก็ช่างมันจะส่งเสริมอรัช c h ให้เป็นใหญ่เป็นโตก็ช่างมันต้องย้านะครับว่าเมื่อเราฝึกจิตให้เกิดเมตตาจริงเราจะทำบุญจะช่วยคนจะทำทานได้ทุกรูปแบบที่เราพร้อมและมีเหตุให้ต้องทา แต่คนมีปัญญาก็จะรู้ว่าทำแบบนี้เกิดประโยชน์ทำแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ซึ่งในพระไตรปิฎกก็มีสอนเรื่องการทำทานด้วยปัญญาไว้แต่ผู้อ่านเองก็ยังแปลกใจที่มีการสอนให้สักสักแต่ว่าทำทำไปเขาจะดีจะช่วยยังไงก็ช่างเขาเราได้บุญแล้วซึ่งแบบนี้ทำให้เป็นการส่งเสริมให้เกิดคนปลอมบวชส่งเสริมคนชั่วในผ้าเหลืองแล้วก็ทาให้ศาสนาเสียหายคนรุ่นใหม่ไม่อยากทาบุญ เป็นอย่างที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้พิจารณากันด้วย